เจ้าคุณพระราสังวราพิมลหลวงปู่โตอินทสวุวรรณโณวัดประดูชิมพลีแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2430ถึง2524 ความเป็นสัจจะไม่เที่ยงความเป็นสัจจะเป็นทุกข์ความเป็นสัจจะเป็นอนัตตาอยา่าไปหลงสมมุติหลงไปเท่าไรห่างไกลจากพระนิพพานเท่านั้นมันเป็นอย่างไรจึงไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันถ้าเราไปฝืนสภาวะ ถึงคราวมันเปลี่ยนไปจะโกรธขึ้นมาอย่าไปฝืนดูมันยืนดูความเปลี่ยนของมันยืนดูความเป็นทุกข์ของมันยืนดูความเป็นอนัตตาของมันอย่าไปหวันถ้าหวานไปนั้นไม่ใช่เรื่องของสภาวะ ถ้าเราไปตามสภาวะเช่นนั้นด้วยแล้วเดือดร้อนความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเดือดร้อนความเป็นทุกข์เกิดขึ้นเดือดร้อนความไม่เป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นเดือดร้อนอย่าเป็นไปตามมันยืนเฉยเฉยดูความเปลี่ยนของเขา เราจะต้องยืนดูเพื่อจะเห็นตัวความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปทุก็ตามมันเปลี่ยนไปเมื่อเห็นแล้วธรรมะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนลงไปว่าพวกนี้ไม่มีอะไร ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเหล่านี้ไม่มีอะไรไอ้ที่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโลกเขาสมมุติจะได้รู้ทันว่าชื่อนั้นชื่อนี้ลงท้ายที่สุดไม่มีอะไรเป็นอนัตตา ไปส่วนดินน้ำก็ไปส่วนน้ำไฟก็ไปส่วนไฟลมก็ไปส่วนลมอากาศก็ไปส่วนอากาศวิญญาณก็ไปส่วนวิญญาณปล่อยปล่อย เราถือเพราะอาวิชชาที่เราไม่ถือเพราะอาศัยธรรมะถ้าเราปล่อยความยึดถือก็เบาลงเบาลงมันก็ถอยไปถอยไปทีละน้อยทีละน้อยมันทนอยู่ไม่ได้ในที่สุดพยายามทำไปจนกว่ามันจะได้ จิตสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นอ่านออกอ่านอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วก็ดีที่จะมาข้างหน้าก็ดีหรือในปัจจุบันก็ดีรู้หมดรู้เท่าทันตัวอารมณ์ปัญญากับสติเข้าไปคุมจิตไว้ที่นี้จิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับ เกิดกำลังพลังกล้าหาญไม่วันไหวอารมณ์ที่ดีก็ไม่ไปยึดไว้อารมณ์ที่ชั่วก็ไม่ไปยึดไว้อารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่ไปยึดไว้เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมันไม่มีอะไร ของมันไปมันเป็นทุกข์ของมันไปมันเป็นอนัตตธรรมของมันไปเราไม่มีอำนาจไปบังคับบัญชาอะไรใครได้มันเป็นสภาวะของเขาอย่างนั้นเองอ่านออก ดูก็รู้ไว้ชั่วก็รู้ไว้แล้วก็ผลักมันออกไปไม่ดีไม่ชั่วก็ผลักมันออกไปไม่คุมไว้เป็นสมบัติของเราเราไม่มีสมบัติอะไรมันเป็นของโลกเมื่อเราอ่านโลกออกแล้วโลกมันก็ไม่ทับเรา เสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สุขเสื่อมสุขได้สรนเสริญประสบกับความเสื่อมสรนเสริญคือได้รับนินทาใจเป็นอย่างไรอย่างไรเท่ากันได้กับเสื่อมเท่ากันได้ก็มีเสื่อมมันจะเป็นอะไร เมื่อมันมีได้มันเสื่อมไปได้มันก็ไอแค่นั้นอ่านให้ออกเมื่อถูกอวิชชาความรู้ของเราประกอบด้วยสติปัญญาอ่านออก ดูออกมันสักแต่ว่าเท่านั้นมันไม่จริงไม่จังอะไรที่เราเห็นจริงเห็นจังเพราะกิเลสอวิชาตันหาอุปทานนี่เองที่ทำให้หลงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ค้นให้เห็นตัวจริง ปฏิบัติเรื่อยไปกว่าศีลสมาธิปัญญาของเราจะแจ่มแจ้งปฏิบัติให้ดีจึงจะสู้ได้ไม่ท้อถอยเพื่อหัดกำลังสู้พยามานหันธมานกิเลสมาร